อยอดโยมทั้งหลายาศาสนาธรรมคำสอนขององค์ชนิดอรสมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นนิยานิกนระมคือธรรมะที่สามารถนำออกจากทุกได้ผู้ปฏิบัติตามกระทํมตาม คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมสามารถที่จะพ้นจากทุกได้ตามลําดับชั้นตั้งแต่ทุกของชาวบ้านจนทุกขของชีวิต จ, จิตใจหรือว่าทุกอันยิ่งใหญ่ประจำชีวิตของเราคือทุกตายทุกใจ ทุกเพราะเกิดเพราะแก่อะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหละสามารถพ้นไปได้จริงๆศาสนาของพุทธเจ้าสอนให้พ้นได้จริงๆถ้าเราทาตามแต่ว่าเราจะถึงความพ้นทุกได้นั้นจะต้องดำเนิน ให้ถูกต้องหรือว่าให้เกิดอันหนึ่งเสียก่อนอันหนึ่งนั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าความเห็นของคนไม่ถูกต้องแล้วทำอะไรก็ไม่ได้จะให้ทานรักษาศีลปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาโล อะไรทุกอย่างไม่สามารถทำได้เลยชาว่าความเห็นหรือความคิดของเราความเห็นของเรายังไม่ถูกต้องตรงตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเราไม่สามารถที่จะทำให้ถึงที่สุดของความพทุกข์ได้เลย เพราะฉะนั้นศาสนาในโลกนี้จึงมีหลายศาสนาเพื่อจะสอนคนให้ปฏิบัติตามให้ถึงความสุขความเจริญแต่ว่าศาสนาเหล่านั้นหรือที่มีอยู่ท้งนั้นก็สอนจนสุดความสามารถของตนตามความเห็นของตนแต่ความเห็นเหล่านั้นจะถูกต้องตรงตาม หนทางที่จะให้พ้นทุกจริงๆหรือไม่อันนี้แล้วแต่ศาสดาหรือเจ้าของศาสนาผู้ที่บัญญัติศาสนาจะมีความรู้ความสามารถหรือว่าได้ปต่รู้ได้แต่รูท้ทำมากน้อยแค่ไหนอย่างในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์ได้แต่รูท้ทำ แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็ได้แต่สรูรร้ทำหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้แต่สรูรร้ทำไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ก็สร้างสมคุณงามความดีมาหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันสร้างความดีมาอย่างเหมือนอย่างญาติโยมทั้งหลายสร้างอยู่นี่แหละทำมาเรื่อยๆ ทำมาเรื่อยจึงได้พยากรณได้รับพยากรณจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วจากนั้นมาก็สร้างความดีมาเรื่อยเสียสงไข่คือเป็นพระพุทธเคือมีสิทที่จะเป็นพุทธเจ้าได้เต็มที่แล้วต้องสร้างบารมีอีกตั้งเสียสงไข่กับแสนมหากรั เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญความดีนี่ไม่ใช่ทำวันสองวันก็ได้สำเร็จหรือประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าของเราสร้างมานานจริงจึงได้เป็นศาสดาหรือได้ตัศรูเป็นพระพุทธเจ้าได้มาเผยแพยร่ศาสนาได้สอนสัจธรรมความจริงให้รู้ความจริง ให้คนถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างญาติโยมทั้งหลายนี้ผู้เป็นศาสนิกหรือผู้นับถือพระพุทธศาสนานีก็ต้องได้สร้างความดีมามากแล้วไม่ใช่ทำวันสองวันจึงเป็นอยู่อย่างนี้เราได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทอง มียศถาบรรดาศักวิ์มีความสุขในชีวิตมนุษย์นี้หรือได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้และมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้รู้จักว่าการให้ทานมีผลรักษาศีลมีผลปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามีผลเป็นความดีเป็นความสุขเป็นความถูกต้องที่แท้จริงอันนี้เราสร้างมาแล้วทำมาแล้วหลายภบหลายชาติ ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเราสร้างมานานแล้วเพราะฉะนั้นความเห็นที่เราเห็นถูกต้องอยู่ในขณะนี้เห็นว่าการทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีนี่เป็นผลแห่งความสุขแก่เรานี่เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี่เกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติแล้วสาหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย จึงถือว่าท่านได้โอกาสดีในการสร้างสมบุญกุศลบา ร, รมีความดีที่จะให้ยิ่งใหญ่ต่อไปความดีนี้ส่งผลให้เป็นความสุขไปเรื่อยเป็นความสุขในภพนี้เป็นความสุขในภพหน้าเป็นความสุขในภพต่อไปความดีที่เราทำเราทำไว้วันนี้แหละก็ให้ผลตั้งแต่วันนี้ และให้ผลต่อๆไปเรื่อยๆไปเหมือนฝนตกนี่แหละก็ให้ความชุ่มเย็นตั้งแต่ฝนเริ่มตกชุ่มเย็นไปถึงรากไม้ใบหญ้าต่อไปเรื่อยๆนี่แหละเราทำไว้มากก็ตามน้อยก็ตามก็ให้ผลเป็นความสุขแก่เราเรื่อยๆไปตลอดไปทุกการทุกเวลาบางคนอาจจะคิดว่าเราทำวันนี้ผลบุญผลกุศลที่เราทำนี้ ไปให้ผลหุรับผลเอาชาติหน้าพบหน้าความจริงอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เกินไก่ฝ่ายแล้วชาติหน้าพบหน้านั้นมีจริงมีอยู่แต่ว่าการให้ผลของบุญหรือความดีเริ่มให้ผลตั้งแต่เราตั้งใจจะทำพอเราตั้งใจจะทำเราตั้งใจทำว่าความดีมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว ความดีก็คือความสุขความสบายใจความเอบอิ่มใจความชุ่มเย็นในใจมันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละความดีนั้นแหละคนจะทําดีได้ใจต้องดีถ้าใจไม่ดีแล้วทําดีไม่ได้ใจต้องดีก่อนเมื่อใจดีแล้วการกระทําก็ดีความพูดก็ดีความคิดก็ดีมันดีไปทุกอย่างมันเริ่มดีจากใจของเราแล้ว มันเริ่มมีความสุขจากใจของเราแล้วก่อนต่อไปกับความสุขเรื่อยๆไปหลายวันต่อไปกับสุขไปเรื่อยๆไปเราอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลามันก็ให้ผลเป็นความสุขใจเราอยู่ตลอดเวลาให้ผลเรื่อยๆไปจนถึงพบใหม่ชาติใหม่ดาบเท้าเข้าสู่พระนิพพานถ้าว่าท่านทั้งหลายได้อ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นว่าพระอระหันตสาวกแต่และองค์นั้น ได้สร้างสมคุณงามความดีติดต่อกันมาเรื่อยๆ เ, เป็นสองหมืนกลับบ้างสามหมื่นกับบ้า ง, 3, บบางแล้วได้สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลเป็นพระอารหันต์อรหันต์แม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าว่าทำไปอยู่อย่างนี้ความสุขความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นแน่นอนไม่วันนี้ก็วันต่อต่อไปแต่ว่าให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆให้ความสุขไปเรื่อยๆ ถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้การทำความดีมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราเห็นว่าชาติหน้าจึงได้ผล<ฮ>คนคิดว่าเออถ้าชาติหน้าจะได้ผลชาตินี้ก็ไม่จำเป็นอย่างนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นความเห็นนี่แหละเป็นเรื่องสมคัญเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องแรกของทุกจุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ตามเห็นชอบเห็นมันต้องถูกก่อนเราจะทําสิ่งไหนก็ตามเราต้องมีความเห็นถูกต้องก่อนเราจะทํามาค้าขายหาอยู่หากินเราก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าเราจะทําสิ่งนี้แหละมันดีอย่างนั้นอย่างนั้นถึงได้ทําต่อไปถึงมีกําลังใจที่จะทําสิ่งนั้นๆต่อไปถ้าเราความเห็นไม่ถูกต้องแล้วการกระทามันก็ไม่ถูกต้องด้วยความคิดมันก็ไม่ถูกต้องด้วยอะไรอะไรทุกอย่างก็ไม่ถูกต้องด้วย เหมือนเรายิงนกเลยเรานกอยู่บนต้นไม้อยู่กิ่งนั้นแ่ะแต่เราหันกระบอกปืนไปทางอื่นมันไม่ตรงกับนกที่จับอยู่บนกิ่งไม้นี่เรายิงไปปุ๊บหนึ่งก็ไม่ถูกไม่ถูกนกมันก็ไปถูกอย่างอื่นเหมือนกันการทำความดีเหมือนกันอย่างเราจะปฏิบัติทำทำในพุทธศาสนานี่มอนกันเราก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ยังไงให้เราทำยังไง อย่างยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนานี่แหละสมาธิปัจฉนาหละเพราะการเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเล็งไปที่สมาธิจิตของคนต้องมีสมาธิอืต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้การที่จะบรรลุมรรคผลนี่บรรลุไม่ได้สมาธิต้องเป็นอันดับหนึ่งก่อน เมื่อความเห็นถูกต้องแล้วสมาธิต้องเกิดต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วนี่ปัญญาถึงจะทะลุถ้าสมาธิไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่แหละจึงเป็นจุดมุ่งหมายหรือความต้องการเบื้องแรกของการเข้าถึงธรรมแม้แต่ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตาม ถ้าจิตของญาติโยมไม่เป็นสมาธิธรรมะก็ไม่เกิดธรรมะที่จะออกจากใจสูจ่ใจก็ไม่เกิดแต่ถ้าจิตของญาติโยมเป็นสมาธิธรรมะก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเท่าที่สมาธิมีนั่นแหละเพราะผู้แสดงก็แสดงจากจิตสมาธิผู้ฟังก็ฟังด้วยสมาธิถ้าใจไม่เป็นสมาธิรับกันไม่ได้ธรรมะไม่เกิดนี่แหละ เพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่สุดจึงเล็งไปที่สมาธิทำยังไงเราจึงจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ข้อนี้เป็นความสำคัญเบื้องต้นทีเดียวนี่แหละสมาธิเราหัดกันอยู่อา้าวหลายวิธีหลายสำนักหลายแห่งหลายที่แต่ละท่านแต่ละองค์ก็สอนด้วยวิธีต่างๆเราก็รู้อยู่ว่าสำนักไหนแต่ละแห่งและแห่ง บริกรรมพุทธโธบ้างสัมมาระหังบ้างยุคหนอพองหนอบ้างโู้มันมากถ้าจะไปไล่ไปแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสอนไวน้นต่มทั้งสี่สิบวิธีสี่สิวิธีนั้นเอาอันเดียวเท่านั้นเองอย่างเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าสอนว่านาปานสติ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนจะได้แต่รู้พระองค์ก็ทำสมาธิอันนี้คือสัมมาคืออนาปานสตินี้อนาปานสติคือลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้คนทำลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไปแต่งลมคือพระพุทธเจ้าอ่ะให้รู้ลมหายใจเข้ายาว ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นลมค่อยลมแรงลมละเอียดเราก็พยายามบังคับจิตของเราให้เป็นไปตามนั้นอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกถ้าเราทำอย่างนั้นเราไปบังคคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ทรงไม่ให้สายไม่ให้ฟุ่งชั้น ไม่คิดนั่นคิดนี่เราทำได้หรือทำไม่ได้คนเราเนี่ยมันไม่ตายน่มันต้องคิดนั่นคิดนี่สงสัยไปตามเรื่องตามราวมันต้องคิดหลายเรื่องหลายอย่างเราจะบังคับให้มันไม่คิดไม่ได้บังคับให้มันไม่คิดไม่ได้พอทำสมาธิก็บังคับไม่ไม่ไม่อยากให้คิดอะไรเลยไม่อยากให้จิตคิดนั่นคิดนี่ อย่างนี้ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เหมือนเราใสา่ใส่ช้างเข้าลูเข็มลูเข็มมันเล็กนิดเดียวช้างมันตัวใหญ่เราจะบังคับช้างให้มันเข้าไปในลูเข็มเนี่ยมันเข้าไม่ได้การบังคับจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบเราทำไม่ได้เราทำยังไงทีนี้เมื่อทำยังไงั้นไม่ได้เราจะทำาไเราคอยรู้เท่านั้นเองคอยรู้ศึกษาว่าลมมันเป็นยังไง ลมหายใจมันเป็นยังไงลมหายใจเข้ามันเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นยังไงไม่ต้องไปแต่งมันไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปเขี่ยวเข็นว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ต้องไปบังคับว่าไม่ต้องคิดนั่นคิดนี่มันอยากคิดอะไรหมันคิดไปมันอยากฟุ้งซ่านแห้มันฟุ้งซ่านไปแต่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะศึกษาดูอารมหายใจของเราเนี่ยเวลามันออกมันเข้ามันเป็นมันเป็นยังไง ถึงเราไม่มาศึกษามันมันก็ทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตทีนี้เราก็คอยดูดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเดินออกยังไงเดินเข้ายังไงละเอียดยังไงหยาบยังไงคอยรู้คอยศึกษาเรื่องแรกมันไม่เป็นไปหรอกมันก็ยากอยู่แต่เขค่อยทําค่อยไปค่อยหัดทีละเล็กละน้อยค่อยดูว่าเอ๊ะดมมันเป็นยังไง ลมออกมันเป็นไงลมเข้ามเป็นไงจะไม่ต้องไปดูว่าเข้าเข้ายาวเข้าสั้นเข้าละเอียดเข้าไขเข้าแรงอันนั้นเป็นหลักการแต่วิธีการดิเราคอยดูเฉยๆคอยดูอ่ะโอ้มันเป็นอย่างนลมมันเดินอยู่นี่ศึกษาแค่นี้นานเข้านานเข้ามันก็ลืมเรื่องต่างๆทั้งหมดมันก็มาอยู่กับลมพอมันมาอยู่กับลมนี่เราก็สามารถที่จะรู้ละเอียดลงไป ลมกับจิตกับความรู้สึกของเราเนี่ความรู้สึกกับลมนี่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยจะรวมเป็นหนึ่งเดียวพอหนึ่งเดียวปั๊บนี่มันเหมือนกับไม่มีลมทีนี้เราก็อาจจะตกใจเอ๊ะลมไปไหนแต่ที่จริงมันยังมีอยู่ลมมันยังมีอยู่แล้วก็คอยดูลงไปมันละเอียดเท่าไหร่เราก็ดูดูความสงบที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละอันนี้แล้วก็เราไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปกดไปเกล่งหรือไม่ได้ไปแต่ง แต่เราทําให้มันเกิดมันเป็นขึ้นโดยการเฝ้าดูความรู้สึกที่เป็นไปของการหายใจเข้าหายใจออกนี่คำจำกัดความคือคอยเฝ้าดูการหายใจหายใจออกหายใจเข้าว่ามันเป็นไปยังไงเมื่อเราเฝ้าดูนานๆเข้ามันก็สงบคนคิดว่าต้องมีเวลาจึงทําสมาธิได้ที่จริงไม่ใช่อันนั้นเข้าใจผิด ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่ถูกต้องที่ถูกต้องนั่นมันสามารถทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสทุกขณะจิตการปฏิบัติสมาธิสามารถทำได้ทุกเวลาทุกขณะทุกโอกาสทำไมอาจามาจึงพูดอย่างนี้เพราะว่าผู้ปฏิบัตินั่นสามารถที่จะกำหนดรู้ลมได้ทุกเวลาเราเดินไปก็รู้ได้เพราะเราไม่ เราไม่ได้สงใจไปทางอื่นสงใจรู้ลมสงใจมารู้ลมนีม่คาว่าสงใจคือส่งเข้าข้างในโอนโกระนี้กคือน้อมความรู้สึกของเรามาดูลมเดินอยู่เราก็ดูได้นั่งอยู่เราก็ดูได้นอนดูเราก็ดูได้ทำอะไรอยู่เราก็ดูได้เราสามารถดูลมหายใจของเราได้ตลอดนี่แหละแม้จะทำงานทำการนั่นนี่อยู่ก็สามารถเอ๊ะลมมันเป็นไงเราก็คอยดู ถึงมันไม่ได้ติดต่อกันตลอดเวลาทุกขณะจิตก็ ต, ตามก็ให้มันได้บ้างมันเสียบ้างก็ไม่เป็นไรทำไป น, น, นานๆเข้านี่มันจะติดต่อกันตลอดเขาเรีกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลามีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาที่ว่าพระอรหันต์ท่านมีทั้งสติมีทั้งสมาธิอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตก็คืออย่างนี้เองคือจิตของท่านจะรู้อยู่ตลอดรู้การ รู้ในตัวของท่านเองรู้ในจิตของท่านเองตลอดเวลาแต่ว่าอาตมาไม่ไม่อยากอธิบายว่าฝ้าราหารเป็นยังไงเพราะว่ามันสูงไปเอาแค่ว่าเราธรรมดา น, นี่แหละให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นการฝึกสมาธิอยู่ตลอดมันเ็นเป็นการทำสมาธิอยู่ตลอดเดินไปก็ตามลองลองกำหนดดูทีเ่เราเห็นลมไหม นั่งอยู่ก็ตามเราลองก็หนดดูไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียวนะนั่งยอนขาอยู่บนโซฟาหรืออยู่อะไรก็ตามก็คอยดูรู้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นการฝึกสมาธิอยู่แล้วต่อไปมันเกิดความ ช, มนชมนานิชานาญมันละเอียดเข้าเลยเราอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามหรือว่าในในท่าไหนาก็ตามจะรู้อยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดรู้อยู่ตลอด รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยสิมันดียังไงที่รู้ตัวตลอดเวลามันก็เมื่อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็รู้กิเลสอยู่ตลอดเวลารู้อารมณ์ดีอารมณ์ร้า ย, ยตลอดเวลาอารมณ์ดีเข้ามาพักเราก็รู้อารมณ์ร้ายเข้ามาพับเราก็รู้เราสามารถที่จะชำระจิตให้เห็นสิ่งเหล่านั้นนะโอ้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพับในจิตเรา เราดูปับ๊บเราลดับรูปับ๊บทำลายปับ๊บรับดูปับ๊บทำลายปับ๊บความรักก็ตามความชังก็ตามหรือพูดอีกอย่างพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเกิดขึ้นเราสามารถชำระออกจากใจเราได้เลยจะเป็นความรักก็ตามความชังก็ตามตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสดีชั่วยอย่างไรก็ตามเข้ามาทาน พบในใจของเรารับเราสามารถชำระพั๊ทันทีเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจงคือไม่เที่ยงสักอย่างเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกขงังคือทนอยู่ไม่ได้ในสภาพนั้นๆเห็นไม่มีสาระแก่นสารเดียไม่มีตัวตนที่เข้าไปยึดถือเอาได้เลยเราจะไปยึดอะไรยึดไม่ได้เหมือนกรรเงามันได้อะไรไม่มีอะไรเลย เราไปยึดสิ่งนันก็ตามแม้แต่ ต, ตัวตัวของเรานี่เราว่าตัวของเรานี่ตัวของเราจริงๆเราลองดูไปสิดูไปตั้งแต่เกิดขึ้นมาสิจาเล็กที่สุดเราดูตาเปล่าไม่เห็นเอากล้องที่ละเอียดยมาส่องดูเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์ส่องดูเห็นเล็กนิดเดียวตั้งจากนั้นแหละเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนขึ้นมาเป็นบุคคลอย่างที่เราเห็นในที่สุดลงไปเป็นเท่าเป็นทาง เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเปไฟนี่คือรายละเอียดของมันถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดในโลกนี้เห็นเป็นทุกข์ขำหมดเห็นเป็นนั้นตาหมดเราทุกได้ที่ไหนเราไม่มีพุกเลยไม่มีจิตของเราจะเข้าไปยึดอะไรไม่ยึดสักอย่างไม่ติดสักอย่างจะเป็นดีก็ตามไม่ติดจะเป็นร้ายก็ไม่ติดแค่ว่าอยู่เหนือดีอยู่เหนือขั้วท้งหมดเหนืออารมณ์ทุกอย่างอารมณ์ร้ายก็ตามอารมณ์ดีก็ตาม จิตเราไม่คล่องเลยไม่จิตเลยแต่เราต้องฝึกจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้เสียก่อนเมื่อจิตเราเป็นหนึ่งเราสามารถที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นรู้เห็นตามความเป็นจริงวิชาเนะีเกิดขึ้นวิชาก็คือรู้อวิชาคือไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ในทุก ไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ทางดบบทุกข์ไม่รู้พ่อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อริยสัจสี่อันนี้มันเรื่องใหญ่แต่ทิงไม่รู้จักใจตัวเองนี่แหละใจของเรานี่แหละมันไม่รู้ใจของเราถ้าคนรู้ใจของเราแล้วนี่จะรู้ทุกอย่างเลยดีก็อยู่ที่ใจของเราใช่ไหมชั่วก็อยู่ที่ใจของเราทุกสุขอะไรอยู่ที่ใจของเราเรารู้ใจของเราแล้วเราจะรู้หมดทั้งโลกนี้ ถ้าเราไม่รู้ใจของเราอย่างเดียวถึงจะรู้ไปหมดทุกอย่างเราก็ไม่จบเหมือ น, นอย่างหลวงปู่ เ, เทศแสดงธรรมให้อดัมาฟังครั้งแรกเมื่ออดัมาไปปฏิบัติกับท่านท่านว่าเรียนข้างนอกไม่มีวันจบสิน้นยิ่งเรียนก็ยิ่งกว้างออกไปไม่มีวันจบแต่เรียนเข้ามาในหัวใจ จบนันอาจจะมาเข้าใจโอ้จริงอยู่ไม่ได้แต่รู้ทมแต่ว่าเข้าใจว่าโอ้ใช่คือเรียนข้างนอกหรือเรียนไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปมันก็เท่านั้นแต่ว่าถ้ารู้ใจของเราแล้วเราจะรู้หมดทุกอย่างดีเราก็รู้อยู่ที่นี่ชั่วก็รู้ที่นี่ยากละเอียดรู้ที่นี่หมดสุขทุกอยู่ที่นี่หมด เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรู้ใจของเราแล้วเราจะสามารถชําระความชั่วออกจากใจเราได้เหมือนอย่างญาติโยมทั้งหลายที่ชาระให้ทานก็คือชําระความชั่วไปจากใจรักษาศีลก็ชําระความชั่วไปจากใจภาวนาก็ชําระความชั่วไปจากใจถ้าเราสามารถชําระความชั่วไปจากใจแล้ว ที่ีใจเราจะเป็นยังไงใจเราก็ผ่องใสใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมันก็ผ่องใสเมื่อมันผ่องใสมันก็บริสุทธันั้นเองที่เราเรียกว่าพระโสดาพระสกิทาคาผ้านาคาผ้าอรหัา น, าา น, านอันนั้นมันเป็นเรื่องของการชำระใจถึงที่สุดถ้าเป็นผ้าอรหันก็หมายความว่าชาระใจถึงที่สุดแล้ว เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชำระใจถึงที่สุดแล้วแต่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายดิเราก็ชาระใจของเราไปเรื่อยๆสำหรับไปทุกภพทุกชาติแต่ความจริงไม่ต้องรอนานหลายภพหลายชาติน้อชาระในปัจจุบันทันทีนี่แหละถ้าเราชาระเป็นสามารถชํราระให้หมดในชาตินี้ภพนี้ปัจจุบันนี้ได้ทีเดียว ไม่ต้องรอว่าเออชาติหน้าเธอพบหน้าเธอเออเรามีลูกอยู่มีหลานอยู่มีบ้านมีเรือนอยู่มีครอบครัวมีพระราอยู่อ้านางวิสาขามหาวัสสิกาน่มีลูกหลานเหม้ น, 400นสี่ร้อยคนทรัพย์สินสมบัติมากมายแต่ทำไมํำละใจให้เป็นพระโสดาบันได้นี่แหละอนณาถาบินิกาเศรษฐีรวยที่สุดเราเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครเสมออนณาถาบินิกาเศรษฐี นี่อา น, นาคาพฤติการมเศรษฐีรวยที่สุดแต่ทําไมชาระใจให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยหลเป็นพระโสดาบัดได้ญาติโยมทั้งหลายมีภาระครอบครัวก็จริงภาระครอบครัวนี่เป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องมีครอบครัวมีอยู่มีกินทำมาหากินทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็ต้องชําระใจถ้าสามารถชําระใจให้บริสุทธิ์ได้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขแล้วยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นคารวาะก็จําเป็น พระก็จําเป็นไม่ใช่แต่พระอย่างเดียวที่เป็นพระริยาบุคคลโยมก็สามารถเป็นพระริยาบุคคลได้ท่าปฏิบัติถ้าสามารถชําระใจให้บริสุทธิ์ได้จิตเป็นสมาธิปัญญาเกิดกิเลสเข้ามาปับ๊บโลคโกรธหลงอิจฉาดิศยามาน a ทิฐิเกิดขึ้นปัน๊บชําระปั๊บชาระปั๊บทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่มีอะไรค้างเลย ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจเลยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องยากเรื่องละเอียดไม่ดีใจที่บริสุทธิ์พ่องใสเลยเพราะฉะนั้นพระอารหันต์ใจของใสที่สุดมีสุขที่สุดมีสุขตลอดเวลายืนอยู่ก็มีสุขนั่งอยู่ก็มีสุขทำอะไรอยู่ก็มีสุขใจพระอารหันต์ใจถึงบริสุทธิ์ ชำระใจในบริสุทธิ์แท้ไม่กลับไปมัวหมองอีกเลยไม่กลับไปเศร้าหมองเพราะเหตุ น, นั้นเหตุนี้อีกเลยชำระในบริสุทธิ์ถึงที่สุดสบายที่สุดยืนอยู่ก็สบายทำอะไรอยู่ก็สบายนี่แหละเป็นอย่างนี้ถ้าก็ใจเราชำระในบริสุทธิ์เป็นที่แล้วเราสบายจริงๆเพราะฉะนั้นพระในารงพุทธกาลบางองค์ ท่านปกครองประเทศชาติสละราชสมบัติไปบวชพอได้สำเร็จเป็นาหารก็บ่นว่าสุกเนาะสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะที่จริงผ้าทั้งหลายก็เออไปสุขผ้าองนี้คงหวนและลึกถึงอดีตที่คองราชคองบ้านคองเมืองอยู่คงอยากจะกลับไปคองครองราชอีกคงนึกถึงความสุขในคารวะอีกพระพุทธเจ้าก็ให้เรียกมาถามว่า ที่บ่ว่าสุกหน้อสุกหน้อนั้นเพราะเหตุใดที่ว่าสุกหน้อยสุกน้อนั้นเพราะว่าตั้งแต่ก่อนน่ะตั้งแต่คองพระว่าเดือนมันวุ่นวายที่สุดยุ่งที่สุดสารพัตเรื่องสารพัตอย่างแต่พอมาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าสำลัใจให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วนี่มันสุขที่สุดสบายที่สุดปรอดโปงที่สุด หาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยอยู่ใต้ร่มไม้ก็มีความสุขอยู่บนปราสาทก็มีความสุขอยู่ยังไงก็มีความสุขกินยังไงก็มีความสุขเพราะมันสุขอยู่ที่ใจนี่พระอริยเจ้ายอมรับสาทุถูกต้องใจของพระอริยเจา้าผู้ถึงที่สุดแล้วมีสุขที่สุดท่านจึว่า น, นี้ภาณังปรามังสุขขงังพระนีพาน เป็นสุกทัูงสุกแต่คนพอว่าพระนิพพานเอ้ยไม่เอาแล้วพระนิพพานไม่ไปพระนิพพานแล้วกลัวจะไม่ได้มาเกิดอีกลัวจะไม่ได้มาเกิดอีกลัวจะไม่มีสุขอย่างรารวาที่จริงไม่ใช่พระนิพพานนั่นะมันมีตั้งแต่เริ่มให้ทานก็เป็นเป็นสุขแล้ว แต่ว่านั่นสุขคำว่าสุขนั่นแหละคือพระนิพพานหรือว่าเย็นใจสบายใจนั่นแหละคือพระนิพพานอย่างศีลศีเลนะนิพุติญญาติศีลนั่นเป็นเหตุให้ถึงซึ่งพระนิพพานเราฝ่ายนี้ฟังแล้วโอ้โหไม่เอาแล้วพระนิพพานไม่ไม่อยากไปมีคนบางคนพูดอาตมานะ บอกว่าไม่อยากไปพระนิพพานแต่ว่าไปสวรรค์อยากไปอยู่แท้จริงไม่เข้าใจคําว่าพระนิพพานคือความเย็นใจสบายใจสุขใจเอาครอบครัวนี่ถ้าไม่มีศีลข้อสามดูสิไม่รักษาศีลข้อสามนี่สามีก็ไม่รักษาศีลข้อสามภรรยาก็ไม่รักษาศีลข้อสามครอบครัวเย็นใจไหมไม่เย็นเลยวุ่นที่สุดแตกเลยลูกก็แตกไปลูกเนียก็แตก เปเมียหัวก็แต่ไปหัวพ่อครัวรักสมบัติแตกหมดร้อนไม่เป็นไปไฟนรกยังไม่มาถึงหรอกยังไม่ยังไม่ถึงนรกเลยยังไม่ลงไปยังไม่ได้ตายไปลงนรกจริงๆเลยแต่ไหมแล้วร้อนแล้วเดือดร้อนแล้ววุ้นหวายแล้วยุ่งที่สุดเลยมันเย็นใจไหมแบบถ้าไม่มีศีลข้อเดียวเท่านั้นแหละถ้ามีศีลข้อสามย็นไหมพ่อครัวย็นหมดลูกเต้าหัวเนี้อ รำมาหากินเย็นใจอยู่ตลอดเวลานึกมาที่ไรก็เย็นใจครอบครัวเย็นใจนี่แหละมันเป็นนิพพานอยู่ในตัวแล้วแต่นิพพานนั้นทะลักษาศีลได้ชั่วแล้วย่าหนึ่งมันก็นิพพานชั่วละยาหนึ่งทะลักษาศีนานล น, น, า, นานตลอดชีวิตมันก็เป็นพระนิพพานตลอดชีวิตแต่ว่านิพพานของชาวบ้านทานิพพานที่เข้าถึงธรรมที่เป็นโสดาสกิทาคานาคาลหันหนึ่ง เป็นนิพพานที่สามลำดับข่านจนถึงเป็นนิพพานที่แน่นอนขึ้นไปตามลําดับถ้าถึงพระารหัสและถึงพระนิพพานแท้จริงถึงความเย็นใจแท้จริงถึงความสบายใจที่สุดมีสุขที่สุดไม่มีกับกอกเปลี่ยนแปลงแต่พระนิพพานระดับล่างยังยังกับกออยู่ยังกาเนิดได้อยู่ท่านว่ากุปปาธโมอาคุปปาธโมที่พระส่วน ในกุศลานผุปฏธรรมโอ้ผปฏธรรมโอ้ผปฏิธรมโอแปลว่ากำเนิดได้มันเย็นใจชั่วระยะที่เรารักษาความดีนั้นไว้แต่ถ้าเราไม่รักษาความดีมันก็กำเนิดขึ้นมาได้เหมือนเราคุมโรคเอายาเข้าไปใส่มันก็หายชั่วระยะแต่ไม่ใส่ยามันก็กำเนิดขึ้นมาแต่ถ้าพิธีทานเข้าถึงจริงๆเนี่ยเหมือนหายจากโรคทุกอย่างคนเราที่ต้องท้องเที่ยวเวียนว่ายใจเกิดเนีอยเมีโรคใจ โลกกายดีรักษาได้หายได้ตายได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่โลกใจมันยังมีอยู่มันยังเกิอดอยู่เป็นอยู่ไปอยู่ได้อยู่นี่มันยังเกิอดอยู่โลกคืออะไรโลกคือราคะโลกคือโทสะโลกคือโมหะโลกคือความโลภความโกรธความหลงมันยังเป็นหัวเจ้าเป็นใหญ่ในหัวใจของเราอยู่มันยังบังคับใจเราได้อยู่มันยังให้โทษแก่หัวใจเราได้อยู่ ต่อเมื่อใดเราสามารถรักษาโลกใจอันนี้ได้หมดเราไม่ต้องไปเกิดที่ไหนแล้วไม่มีภพภูมิไหนอีกไม่ต้องไปทุกที่ไหนอีกไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเก็บไปตายไปพบน้อยพบใหญ่ใช้กรรมใช้เวรใช้บาปอะไรอีกเลยเพราะว่าโลกเราหมดแล้วก็เหมือนคนหายโลกแล้วสบายแล้วไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาต้องขอใครญาติโยมนะเวลาพูดแล้วมันอยากจริงจังวนไป พืดแล้วมันมันอดไม่ได้พรมันมันเป็นอย่างนั้นจริงจรญาติโยมทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่นะมันต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นคือเห็นว่าธรรมอย่างนี้ถูกถูกต้องแน่นอนเราก็ทําเมื่อเราทําไปแล้วการปฏิบัติธรรมเป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นของประเสริฐ สำหรับชีวิตเราเราก็ทําไปแต่วิธีธทำมันก็ไม่ยากพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราไม่ต้องเอาอะไรนู่นนี่มากมายเพียงแต่เราคอยรู้ลมหายใจเราเท่านั้นเองเราจะปฏิบัติทําได้ทุกคนและในขณะเดียวกันเมื่อเราปฏิบัติเป็นไปแล้วเรื่องแรกมันก็ไม่เป็นไปนานเข้านั้นเข้ า, นานเกิดความชนานาญเหมือนคนขับรถก็เหมือนกันเห็นไหมคนขับรถบางทีมันก็ยังไม่เป็นไปไม่รู้เหยียบเบรกเหยียบค่า ไม่รู้เดือพันเล่กไม่ยุ่เยเดือบอะไรมันยุ่งไปหมดแต่พอชำนิชำนานแล้ววิ่งร้อยก็ได้ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบก็ได้มันแล้วแต่นี่แหละจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราทําเป็นแล้วนี่เรารู้จักวิธีแล้วนี่มันจะบังคับได้ตลอดเวลาเมื่อจิตเราสามารถอยู่ในอํานาจของเราแล้วเป็นหนึ่งแล้วนี่ปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดเราก็ชําระสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราคือ ราคะพอดีโทสะพอดีโมหะพอดีอันนี้เป็นภาษาวอดีแต่ความจริงคือความนักก็ตามความชังก็ตามความเกลียดความโกรธหรืออารมณ์ต่างๆสิ่งดีสิ่งร้ายเข้ามากระทบใจเราแต่ละอย่างละอย่างแต่ละวันเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่เข้ามากระทบใจเรานั่นแหละคือเครื่องสอบเราเครื่องสอบของใจเราว่าเราแน่วแน่แค่ไหนเรามีความมั่นคงแค่ไหนเราก็จะสามารถชำระชำระชำระชำระออกไปเห็นว่าสิ่งเหล่านั้น ไม่เที่ยงแท่สักอย่างเมื่อมันไม่เที่ยงเราจะไปเอาอะไรเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราไปเอามาได้เราไปยึดไม่ได้เราไปถือไม่ได้เราไปแกะร้องมันไม่ได้เพราะมันไม่อยู่กับที่เหมือนพระยับแดดนี่เรามองดูโอ้โหไกลๆมันเป็นจัวไว้บๆพอเราเข้าไปใกล้ไม่มีเลยเหมือนฟองน้ําดิเราดูเราเราฟองสบูน่นี่ฟองผงฟองสบูน่นี่มันเป็นฟองพอเราไปจับแต่ раб, แตาะไม่มีอะไรเลยนี่แหละ มันไม่มีอะไรในโลกนี้แม้แต่ตัวเราว่าตัวของเราจริงๆมันก็ไม่มีของเราจริงๆมันเกิดจากสภาพอันหนึ่งแล้วก็มาในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงสลายไปคีอถ้าเราเห็นเหวี่ยงนี้แล้วเราจะไปยึดอะไรต้นไม้ภูเขาลูกด้านเลรนครอบครัวหัวเนี้อมันไม่มีความยึดถือแล้วเมื่อไม่มีความยึดถือแล้วเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้เราจะเรียกว่าพ้นทุกข์ก็ได้เราจะเรียกอนิพานก็ได้ใจเราสบายตลอดเวลาอะไรมากระทบก็สบายอะไรมากระทบก็สบาย คนเรานะถ้าเริ่มปฏิบัตินะเราอย่าว่าไม่มีสิ่งกระทบมันมีทั้งนั้นดีแล้วถ้าเราพัดอย่างในโลกนี้มันลุมเข้ามาหาเราหมดถ้าเราไม่หนีมันเราสู้เราอ่าไปอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้อย่าไปโทษสิ่งอื่นเราดูที่ใจของเราใจเราไปยึดไปถือไหมเราไปหลงไหมไปติดไหมไปค่องไหมถ้าเราไม่ติดไม่ค่องปล่อยวางได้ทําใจได้สบายได้หลุดเลยใจเราสบาย โลกนี้ทั้งโลกเป็นของเราผู้เดียวแต่ถ้าเราไม่ชนะใจเรานะโลกนี้ทั้งโลกวุ่นที่สุดนี่แหละเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมสามารถทําได้ทุกคนพระพุทธเจ้าสอนธรรมนั้นไม่ได้สอนเพื่ออย่างอื่นสอนมนุษย์และเทวดาสถาเทวมนุษย์สานัพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์ พระพุทธเจ้าสามารถสอนให้ไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดเลยถึงสูุคันท้ีจริงเลยเข้านิพพานเลยนี่แหละเข้านิพพานตั้งแต่มีชีวิตอยู่ตายแล้วเข้าพรนิพพานจริงๆนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราสามารถสอนได้ไงแล้วยังสอนเทวดาได้ด้วยพรมได้ด้วยอินได้ด้วยนี่แหละเพราะพระพุพทธเจ้าเราเก่งขนาดนี้ดีขนาดนี้นพิเศษขนาดนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอาจามาว่าเราได้ศาสนาที่ดีแล้ว เราได้ศาสดาที่ดีแล้วได้พระพุทธเจ้าที่ดีแล้วผู้สอนที่ดีแล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวเทั้ตั้งใจปฏิบัติดำเนินตามให้ถึงที่สุดของการที่จะถึงความสุขแผ่จริงทุกท่านทุกคนได้ทีเดียวอาตมาขอแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ถึงความสุขความเจริญได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นจากทุกถึงความสุขแท้จริงตามคุธทธภงร์ของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเถิ